ฟนะังธรรมคันต่อไปเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเรามีงานมีการพูดเรื่องงานแลการของเราเพื่อให้มันชนํชนานิชํานาญได้ใส่ใจได้มีการกระทํางานที่สำเร็จ ชาวนาถึงเวลาปักด ำ, ก, ดำดก็คิดจะไปทำนาขีดเช่นไว้ตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนานาจำนวนหลอยเล่ยก็เสร็จได้ว่าเราเป็นงานกรรมาฐานก็คิดจะไปทำมานกรรมาฐาน ไม่เหมือนการทำนาการทำนาต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งหลายอย่างแต่การทำปรรมาฐานนี่มันง่ายกว่าการทำนา <c oughs> ให้หลังสู้ว่าหน้าสู้ดินไม่ตากแดดตากนก็มานเกิดที่กายที่ใจเรานี้กรรมาฐาน ทำได้ทุกวินาทีเมื่ออาไม่อาศัอาายอยันอื่นวัตถุอื่นมาเป็นส่วนประกอบมีอยู่แล้วในการในใจนี่แต่ว่ากายใจเรานีแต่เช่าเราใช่ไม่ถูกก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้ไม่ได้ประโยชน์จากกายจากใจ ถ้าเราใช่ถูกต้องก็ได้ประโยชน์เป็นคณเพียง่าขึ้นมากรรมาฐานยังอาศัยกายอาศัยใจนี้เป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเหมือนเม็ดพืชโพทิที่เกิดขึ้นตนดกายที่ใจของคนนี้เม็ดโพทิรือสติปัญญา อาศัยกายยใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกตัวก็จะสําเร็จไปได้หลายอย่างถ้อาอาศัยกายอายใจเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็ผิดพลาดไปหลายอย่างความรู้สึกตัวที่มีอยู่ที่กายที่ใจจนจำนี้จานาน เกิดมาเกิดผลขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถึงการละชั่วจำดีมาเมื่อก็ไปสว่างได้ถ้าอาศัยกายอาศัยเจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกตัวนั้นไม่ยากไม่ได้ออกเรียวออกแรงอะไร เพียงแต่ใจใจลงไปที่กายที่ใจมีชัทามีความเพียรมีความใส่ใจก็จะได้พบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันถูกมันผิดจิงไหนผิดก็แจ่มันถูกได้จิงไหนถูกมื่กับมันมืด เช่อไผดมเช่ไดผิ ด, ม, ด, ผดมันเท่ากับมันมืดในความมืดมันก็มีความสว่างจนเคยชินเคยทางมาล่ายเป็นดีมาผิดเป็นถูกมาหนักเป็นเบางานกรรมฐานมีผลทุกโอกาสเกิดมาเกิดผลทุกทั้งทุกคราวถ้าทำจริงๆ มาหลงก็เป็นลูกเหตุมันคือหลงมันจึงมีความลูกมีปัญหาก็มีปัญญาเหตุมันมีปัญหามีเกิดปัญญาขึ้นมาหรือมามืดไปสว่างไอช้ชีวิตให้ชัดเจนแม่นยาอยู่เสมอก็มาฐานทุกเวนานีทุกทุกเวนาที เหมือนกชาวไล่ชา ว, ชาว น, า ท, นาทุกวินาทีปักดำเกี่ยวข้าวก็เหยียบจ้ำอยู่ที่นาสี่สิบห้าสิบไล่เห็นแตล่ลอยมือลอยเท้าของชาวนาลอยคาดลอยถ่ายมองดูนอนอยู่บ้านมองเห็น ตรงไหนเป็นอย่างไรก็ย่อมเห็นที่ขอตกกุกบพ่อสร้างให้มันดีขึ้นมาตรงไหนไม่ดีสร้างให้มันดีขึ้นมาจนเป็นที่พอใจทุก่าสำเร็จสำเร็ จ, ำรจทำแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วงานก็เห็นว่าเป็นเสร็จทั้งจัใจก็เห็นว่ามันเสร็จจริงๆ ไม่มีอะไรที่ทำอีกแล้วหมดแค่นี้ทุกตะลางนิ่วตะลางสอกตะลางคืบก็ว่าได้นี่กายใจเรานี้มันก็มีแค่นี้มีกายมีใจมีสติดับตาดูก็เห็นแล้วอยู่ใกล้ๆตัวนี่ คมหลงก็เห็นเกิดขึ้นมาก็เห็นอยู่ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เห็นอยู่มันยังไม่แล้วรู้สึกว่ามันยังค้างอยู่ถ้าทำให้มันหมดไปมันก็ถือว่าแล้วแล้วได้เปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกเป็นกรรมอย่างยิ่งเป็นกรรมอันชอบเป็นงานอันชอบโอ้ยตือโดน การช่วยเหลือดูแลกายใจของเรานีก็ได้ประโยชน์จากกายจากใจของเรานี่เอง็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมากรอบความเป็นผลขึ้นจากกายจากใจที่เราปฏิบัติกรรมฐานนี่นละไม่ใช่ผูวภายนอก เ, แบบไไเหมือนการใช่ที่สมบูรณ์แบบมันก็ไปไกลเหมือนกันการทํานาสําเร็จตามไล่สาเร็จมันไม่ใช่สําเร็จมันต้องทําอยู่เรื่อยๆแต่ว่ากใหญ่ของเราถ้าํามสำเร็จ <c oughs> มันก็จบเป็นไม่ต้องทําอีกต่อไปมันเสร็จแล้ว จิตในเมืเ่สเฉดแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดผลขึ้นมาของผู้ที่งานเร็จจนพระพุทธเจ้าได้อุทานออกมาว่าจากิสิ้นแล้วพรมจันย์อยู่จบแล้วสิงอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนี่มันสำเร็จ มันก็จบเป็นสิ่งที่เกิดเกิบการกระใจในีมันจบเป็นตัวมีคุณมีค่าขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาต่างกับพ้นภาวะเดิมมุมบันเกิดสมสำเร็จแล้วก็่าอยู่นิ่งแล้วก็เห็น ปัญหาเกิดขึ้นที่เราก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยเฉพาะความเกิดความเกความเียบคมต้อนนี่มันฝองใจเก็บปล่อยกันที่งไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้มันก็เสียชาติยิงเป็นงานที่อยู่ข้างหน้าเป็นงานที่เกิดขึ้นข้านหน้าอย่างนี้ไม่พ้น มองเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งคนใดก็ตามมองเห็นความแจ่ความเจ็บความตายที่ต้องช่วยเหลือกันแล้วแล้วเราก็เห็นควนเจ็บคนเจ็บ ค, คนตายมันก็เป็นทุกข์จริงๆคนที่ไม่รู้ตัวเองไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นทุกข์กับคนเจ็คนเจ็บคนตายเวลาเขาเจ็บเขาตายคนที่ แก่ที่เก็บที่ตายก็เป็นทุ่อยู่แล้วตอนนี้เป็นงานของเรางานของมนุษย์เหมือนกิดชาวนาอาชีพต่างๆต้องทำงาน <S S S <c oughs> เพื่อได้ปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตถึงทุ่มเทชาติทั้งชาติทุ่มเทให้กับการใช้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตใครๆก็มีชีวิต อ, อนาคชีวิต มีความหิวมีความิมมีความทุกข์มีความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของรูปของกายแต่เรื่องของกายเคยเจ็บเจ็บตายยังเก็บยังเก็บยังตายอยู่ไม่จบสักทีจะมีอะไรจํานวนมากมีสักไม่เงินมีทองมากแต่ไม่มี สังขารชีวิตที่ไปใช้รอบนานก็พีไปเลยบางทีปวดบื้อมาจนตั้งตนุมต้นแกก็เห็นกับหูกับตาเป็นของคนอื่นไปแ ล, ล้วลูกก็ไม่ใช่ของลูกแล้วเมียก็ไม่ใช่ของเมียแล้วขัวก็ไม่ใช่ของขัวเป็นของคนอื่นไปแล้วก็ทุมท่มเท ตั้งแต่เกิดจนตายเออนี่เรื่องกเกิดเจ็เจ็บตายนี่หนีไม่พ้นทำยังไงล้วจะช่วยกันได้เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเปนเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้เด็ดขาดแล้วมันก็มีทางได้อยู่มันมีวิธีรักษาได้อยู่แก้ไขได้อยู่ ให้เก็เจ็บให้ได้ป่วยหมอลักษาต่อหมอเป็นเจ้าของโลกรักษาใครเขาก็จะไม่หมดความสามารถเอาจนหมดความสามารถจนคนเป็นโลกใครก็เจ็บหายได้แต่นี่ ชีวิตเรายิ่งเป็นศาสนาเป็นวัดว่าลามีพระสงฆ์มีวาสกมีวาจิกาก็เห็นการช่วยกันอยู่ไปเป็นธรรมานชวบานก็ใส่ก้อนข้าวให้สร้างกะดีให้ให้ชี้บอลให้ผ้ารุ้งผ้าหม่มนี่เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงโดยพวกพวกเราเป็นชาววัด ไปมองเห็นอันอื่นมองเห็นสิ่งเหล่นี้เป็นของจำเป็นเมื่อเราทำอะไรไม่เป็นก็หัดให้มันเป็นการหัดตสอนตนเพื่อช่วยคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่งานงา น, งานชอบการงานชอบที่สุดเมื่เราจะไหวน้ำจะช่วยคนตกน้ำต้องไหวน้ำให้เป็น เฉพาะที่ช่วยคนูกน้มได้ถ้าเราว่าน้าไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ภัิที่สุด ก, ก็โจมหน้าไปด้วยกันแต่การช่วยเหลือคนแก่คนเจ็บ ค, คนตายนี่ให้เราชานี้ชำนานทำย่างไงก็มีวิชาอยู่มีกรรมฐานมีทําตามธรรมพระพุทธเจ้าสอนนี่ทำได้ทุกชีวิตมีส่สติเป็นเอกาจุปปัปจจา เริ่มโน้นมีสติก็เห็นขวางหลงอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจมากมายก็ได้เปลี่ยนเป็น <c oughs> รวมรู้จึกตัวไปก็เส็จไปเส็จไปงานอันเก่าไม่ใช่งานอนใหม่น่าจะเ็ด ไ, ไว้หนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีอย่างชาติสุดนะ การำจริงจริงมันเป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาจริงจริงอะไรมันยังอยู่ก็เห็นอะไรมันหมดไปก็รู้มันเป็นการสัมผัสไม่ใช่คิดเหมือนการศึกษาทางลูกเป็นการสัมผัสสิ่งที่มันเกิดกับการกัดใจเ่านีเหมือนการทุกข์ชีวิตเห็นอันหนึ่งก็เห็นคนอื่น เรามีความรู้สึกตัวก็เห็นพล้อมผู้ที่ไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อเขาไม่มีความรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ปล่อยเขาทิ้งจาเริ่ช่วยกันตนั้งแต่ทีแรกแล้วใ น, นการเดินทางจับมือกันเดินทางจับมือจับเขียนก็เดินทางต้นเหน่งบื่อล่างก็ต้องเขากันช่วยกัน แล้วก็มีกำลังใจเหมือนสมัยหนึ่งเดินขึ้นเขาชิบะทะประเทศชิลังกาแต่ถ้าเราจะเดินไปก็ได้อยู่แต่ว่าคนที่เมื่อยล้ากำลังน้อยก็ ม, มีมีอยู่แต่เราจะทิ้งกันไม่ได้จะค่อยเขากันไป โขกันไปให้กำลังใจกันไปก็ขึ้นไปทีละสี่ห้าเมตรไปนั่งไปยืนรอไปพูดเล่นๆชวนให้เขได้รู้สึกสนุกสนานโขขึ้นไปถึงรา้วก็นั่งสักหน่อยเดี๋ยวถ้าคนเดินเดิน นั่งไม่เป็นก็เมื่อยล้าถ้าเดินแล้วก็ถ้านั่งเนี่ยออกแรงได้ยากถ้าเดินแล้วก็อย่านั่งยืนยืนย่ำเท่าเล่นอยู่มันจะกำลังขาจะไม่หมดเราชวนเขาทำไปวิธีใดที่เราได้วันนี้สได้ประโยชน์จากการเดินต่างกันอย่างไร พูดเล่นไปเอาไปมาขึ้นถึงยอดเขาสีบทาหน้อย่างสง่างามไม่บอกไม่ขี่สมหญงขึ้นไปสีบทาเขาจะไปจีรังก า, าวันที่สีนี้ถ้าไค ข, ขึ้นสีบทาได้ก็ถือว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กนะเ็นอย่างนั้นจริงๆนะ ให้กับเราเจอทุกได้ี่เรื่องเองินเป็นเรื่องเล็ ก, ท, กทำไมเขาจึงทุกทําไมคนจึงโกรธทํำไมคนจึงหลงมันไม่ยากก็ตื่นรุนที่ช่วยกันตั้งท่าช่วยกันจริงจริงไงถ้าใครที่หลงไม่มีหลงในแล้วแย่ตัวเองเป็นแล้วหลังเกิดเลี้ยงลูก ใหญ่โตอาศัยลำแข้งของเขาได้แล้วมีอาชีพมีงานงานเป็นหลักคนที่ขึกคนตนเดงเนี่เขาจะได้ช่วยตัวเองเมื่อเขาช่วยตัวเองได้แล้วเขาจะพิชช่วยคนอื่นอรทบกระทืนไปแล้วก็มีโออมีแม่มีลกูกมีหลานมีเพื่อนบ้าน อะไรนลายมีเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายมีเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายมีแต่เพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายแล้วเราจะปล่อยขั้นเจกะขั้เจ็บคนตายเป็นทุกข์พวมเจ็บเป็นทุกข์พวมเจ็บเป็นทุกข์พวมตายนี่ทิ้งกันไม่ได้จริงแล้วนี่มันทําได้อยู่เรา นะไม่ใช่เหลือวิใัยของเราว่าะจะให้ใจใจให้ทำกรรมฐานนี่ไม่มีวิธีอื่นมีสตินี่แหละเป็นที่ตั้งไว้การตั้งสตินี่ได้ทุกวินาทีตามรูปแบบของกรรมฐา น, นทุกวินาทีเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับลูกไไ้็ไปเลยมันไม่หนักมันเบาวกว่าที่สิ่งที่มันเป็นอื่นไปถ้ามีสิติแล้วอัดสัมผัสดีๆนะงานจะมีพลังมากอัดความรู้สึกตัวไปเฉลยสิ่งที่มันเกิดกับปากใหญ่พลังมากแ น, น, น่ตัวนีน้ถ้าใส่ใจดีๆถ้าไม่ใส่ใจก็อ่อนแออได้เป็นขี้แพ้ไปเลยล้ว หลงเนหลงทุกข์เป็นทุกข์ไปเลยมองอะไรก็ผิดไปเลยถ้าได้มีสติเฉลยทุกอย่างให้มาเป็นความรู้สึกตัวให้มาเป็นความรู้สึกตัวจะมีพลังเมื่อมีพลังแห่งความรู้สึกตัวเปในกายทุกวิถีทางอะไรที่มันเกิดขึ้นมาก็ง่ายปะดนง่ายง่าย พลังความรู้จึกตัวไม่ใช่ใชเฉพาะความรู้จึกตัวเฉยๆมันเป็นยานมันเป็นปัญญาเป็นพลังรูปแบบยยแต่อหยาเป็นทั้งศีลเป็นทั้สมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งยานอย่างลูกทะลุทะลวงได้ก็ง่ายง่ายอาศัยใจให้อาศัยกรรมฐ า, านนี่อย่าทิ้งซะมันก็อยู่กับเรานี่ กรรมฐานไม่จะอยู่ที่เวดป่าสุกโตไม่ใช่กําหนดสี่สิบวันสี่สิบวันนั้นสมมุติบัญญัติขึ้นมาเฉยๆอย่าให้มันหลอกได้สี่สิบวันอย่าให้มันหลอกได้เอามาต่อรองกับชีวิตของเราเออได้ทํามาแล้วสี่สิบวันไม่ค่อยได้อะไรหรอกไม่เห็นมีอะไรเหมือนหลอกแล้วสี่สิบวันที่เวดป่าสุกโตไปต่อรองไปเป็นเกณฑ์ีวัน ไม่ได้พราะต้องมีสติดูแลตัวเองให้ดีๆเส็จแล้วละ่ะ อ, <c oughs> อนี่นี่หลายแบบแล้วกันเราเป็นได้หลายอย่าง ตั้งใจดีๆตัจดีๆตังสติดีๆชีวิตของเราเนี่ยมันไหลด้หลายอย่างอาอันดื่นก็ไม่มีมีแต่ชีวิตของคนเราเนี่ยลยเป็นได้หลายอย่าง เราต้องช่วยกันนี่เลวช่วยกันช่วยกัอนอ่อาตั้งจะดีเด้อกาลังหลังตากำลังฟังธรรมอยู่กลังสอนธรรมอยู่นี่อย่าให้มันไปที่อื่นจะตั้งไว้ดีดีตั้งสติไว้ดีดี นั่นก็เป็นอย่างนี้แล้ทั้งไว้ปิดมันก็ไปล่อาทิตะทิศละทางมันอยู่ที่สติกับความหลงนี่เลยต้นเหตุมันนะถ้าป่วยมันหลงอะไอ้ความคิดหลกเป็นไปร้ายอย่างเป็นไปได้หลายอย่า ง, าายยางมันโหลกเก่งนะความคิดเนี่ยอย่าเชื่อมันง่ายๆ ถ้ามันมีสติตรวจสอบมันดูแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนนะถ้ามีสติมันเห็นมันแล้วมัก็ไม่มีอะไรยังแต่ความคิดเฉยเฉยเกิดจากความหลงมันจึงคิดไปห้ามคิดมันไม่ได้ต้องมากลับมาหาที่ตั้งคือความรู้สึกตัวว้าให้มีที่ตั้งว่ายจุกนาทีหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก เคลื่อนไหวมือสัมปชัญญะบับ พ, พาผู้เจ้าก็สอนอย่างนั้นสัมปชัญญะบับ พ, พาการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึง่งอารีบับ พ, พาสาธุโส ด, ดการเคลื่อนไหวให้รู้สักแต่ว่าสักแ ต, ต่ว่าให้ความรู้เป็นตัวเป็นตัวเป็นภาษาในใจให้รู้สักแต่ว่าสักแต่ว่า อย่ามาขิดมาถูมาชอบมาพอใจไม่พอใจถ้าถึงความพอใจไม่พอใจมันไม่ใช่ศักแต่ว่าแล้วมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วตัวตนที่เกิดจากสภาพเช่นนั้นเป็นได้หลายอย่างเป็นเปตเป็นสุลกายเป็นสรันนิาชานเป็นได้หลายอย่างถ้าให้เกิดความพอใจไม่พอใจ่ไปถึงที่นั่นไม่ได้ เพียงศักแต่ว่าเพียงสักแต่ว่ า, วาหนังสือพระไตรปิฎกตั้งอยู่ที่ลานธรรมเขียนไว้อย่างนั่นสอนไว้อย่างนั่นคําสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั่นอย่าทําอย่างอื่นกับปลากับจอยสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับใจอย้ราเรียกว่าสักแต่ว่าศักแต่ว่าอันด้านมาันก็ยัง เป็นตัวเฉลยสั้นสั้นแต่ที่จริงมันคือความรู้สึกตัวนั่นแหละคมรู้สึกตัวเป็นทวารเผมรู้สึกตัวเลยมาพูดเป็นภาษาว่าสต์ตะว่าแต่จริงๆมันคือความรู้สึกตัวรู้แล้วรู้แล้วไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีที่ตั้งไม่มีไม่ต้อนรับนี่แต่ว่าภาษาพูดเป็นสมมติ ภาษาอินเดียเว่าูกศึกตัวสติภาษาอินเดียเว่าสตรีภาษาไทยรียว่าลูกลูกสึกตัวภาษาอีสานวาหูเมียหูเมีย ต, ตัวอยู่แล้วเราปลูกลูกมันตื่นแล้วลูกมันตื่นแล้วมันเอาตัวโลดได้ถ้าไม่ตื่นเนี่ยไฟไม่มาก็าตาย าาตื่นแล้วมากระวิกลี่หนี้ไดยนี่คือลูกหูเมียแล้วหูเมียแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนี่มันหลงหูเมีจากความหลงตื่นแล้วความหลงไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ตัวเราตื่นตอมอ๋อสหายชนว่าอย่างไงสมหญิงว่ <c oughs> าสหายคิดว่าไงเออจากตัว ภาษาไปนะแต่เราก็มีภาษาที่ใช้สื่อในคนไทยนีย่มันก็พูดอย่างอื่นไม่ถูกภาษาอังกฤษเราก็ไม่รูภาา้ภาษาอินเดียก็ไม่รู้แต่เป็นภาษาเราแท้ๆนี่รู้จักตัวเดียวนันก็แน่นอนที่ชดล่ะกายเคลื่อนไหวก็รู้จักตัวอยู่นมันคิดไปก็รูจ้จากตัวอยู่นี่ ให้ตั้งที่นี้ได้เป็นหลักเสาหลักไว้ก่อนทำลายจะปลูกบ้านทำไมเสาหลักยังเป็นบ้านเป็นโครงสร้างได้ปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนกรรมฐานกรรมฐา น, านที่ตั้งของกระมธรรมงานนี่งานใหญ่โตนะงานช่วยมนุษย์แต่เนี่ยงานขนส่งให้พ้นจากความเจรความเจ็บผมต่อนะ งานช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยกมาตรฐานเลนยได้จะเมตตาสงสารเฉยๆน้าสงสารเนาเอ็นคนตายก็โลงไห้ไม่มานั่นมันเป็นปายเหตุท็จแล้วเราได้ทําอะไรกับคนตายเราได้ทำอะไรกับตัวเราถ้าเราได้ทําแล้วเราไม่ต้องไห้ไปทุกข์ทำไม เราได้บอกได้สอนกันหมดแล้วนี่เราก็บอกตรงนี้เราก็บอกตรงนี้บางคนก็ไปสอนตอนก็จะตายมันก็ไม่ได้เลยจึงสอนกันเดี๋ยวนี้กันหลังหนุ่มกันหลังสาวกันหลังมีชีวิตชีวากันอยู่นี่อ็เริ่มตั้งแต่นี้แหละมามืดไปจะ ว, วงังนความรู้จักตัวนี่ยมันทําได้ทุกชีวิตเนี่ย เอากายเป็นที่สร้างก็ได้เอาใจไป็นทสร้างก็ได้อยู่ในตัวเรานี่นะเราใช้เวลาให้เป็นอย่างนี้อย่าใช้เวลาอย่างอื่นอย่านับเดือนนับปีเป็นเวลาให้นับวินาทีหนึ่งเ น, นี่ยเนี่ยชี้ของเราเมื่อเราเดินทางถึงทีละเก้าเราใช่คิดถึงเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึ ง, ถงอันนั้นน่ยมันไม่ใช่นับเตือนทาง นักคิดนั่งเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่นักเดินทางแล้วก็ก้าวทีละก้าวก็บลู่ไปลู่ไปมันถึงทุกก้าวแล้วปฏิบัติทำก็เหมือนกันถ้าได้ลู่ทุกนาทีก็นั่นแหละไปแล้วไปสู่มอกสู่ผลแล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ผ่านไปแล้วเป็นทางผ่านไปแล้วถ้าถึงขวมนูกจิตตัว ที่เหมือนเกิดกับการกับใจเองอะไรใช่เกิดขึ้นมาเหมือนกรขว่งกันถ้าได้กลับมาถึงความรู้จักตัวก็เลยผ่านแล้วผ่านผ่านผ่า น, า น, านถ้าไปเป็นไปสุกไปทุกไม่ผ่านไม่ผิดไปถูกก็ไม่ผ่านไปพอใจไม่พอใจก็ไม่ผ่านนะดูดีๆอย่าให้มันห ล, ลงวมหลงไม่ฉี่ช่างชี่ม้ามานะไม่มีปืนมีมีด ข่มโกรธก็ไม่ได้ขีช่างขีมาหมาไม่มีสะตาโวดะไรยเออจากกายจากใจเรานี้เดี๋ยวถ้าเราไม่รู้มันก็เปลี่ยนวิเปลี่ยนวายทำลายตัวเองก็ได้ทําลายกายทําลายใจก็ได้แล้วดีๆก็กลายเป็นใจที่เปิดเื่อนไปมากมายใจดีๆก็เป็นใจที่เปิดเื่อนไปก็ลงประหลังไปหมด ยังฝึกตนสนตนมาเป็นมีตเป็นเพื่อนกันทำได้ทุกชีวิตท่านหลงอยู่กติก็รู้อยู่กติท่านนั่นแหละท่านหลงอยู่ที่ห้องน้ำก็รู้อยู่ที่ห้องน้ำนั้นท่านหลงอยู่ที่ไหนให้มีความรู้จีนานไม่ใช่อยู่อยู่ที่หลอนทำไม่ใช่อยู่ที่ที่ทำวัดตรวจมนต์ไม่ใช่อยู่ที่ไหนมาอยู่กับเราทุกข์อกะทุกนาที เป็นสลรพัดนึกเป็นแก้วสลรพัดนึกการสร้างจิเนี่ยอย่าเอาความหนุ่มความสาวอย่าเอาความแฉะความเท่าความเจ็บ ค, ค, ความป่วยมาต่อรองหัดทํำซะแต่ถ้าความจานานตัน้งแต่หนุ่มแต่น้อยถึงเขาที่มันเท่าเหมันแฉะมันก็เเรื่องเล็กไม่ต้องทํารื่บาดเนี่ยเวลาเราจะเจ็บเราจะไปทํสาสร้างจังหวะได้ยังไง เราหัดไปแล้วเหมือนเรามีเงินเวลาเราป่วยมาเราจะไปหาเงินมันก็ไม่ทันแล้วเวลาหิวที่จะไปหาเงินมันก็ไม่ทันแล้วเรามีใช่แล้ว <c oughs> ทรัพย์ภายในไม่เหมือนเงิน <c oughs> เหมืนทองมีชุบโอกาสเกี่ยวกับการกับใจไม่จนสกเรื่องเลย จนตัวความเจ็บไม่จนตัวความตายสบไปไหนเราต้องเก็บต้องเก็บตรงต่อจนมหมเพียงแต่คิดก็เป็นทุกข์หนึถ้าถึงเขาที่มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจะทำยังไงทุกข์เพราะความคิดนะเหมือนทุกข์ความเจ็บมันยังมียารักษาแตทุกข์ความคิดนี่เอายาที่ไหนมารักษาถ้าไม่ใช่กรรมฐานเนาะ กรรมฐานเท่านั้นสัตวะพุทธะตระหังพรุธพระธานพระสงฆ์สัตวะธรรมตหนังสัตวะสังฆตรนังเกิดจากกรรมฐานเป็นโอสถโอสถังอุตมงวลังสภะทุขาสภาโลขาสภพปยาสภาพปยาสภาพุขาสภาพโลกาโลกไห่ไข่เจบ สัพพทุกขาสภาพปัจจัเหตุหายหมดห้ยจากกอมทุกคืลูกทางจิตวิญญาณไม่มีวิชาใดที่จะช่วยเราได้ศาสตร์ใดที่ช่วยเราได้ไม่มีมีแต่กรรมฐานไม่แต่พุทธศาสตร์ฉนัพุทธภ า, าวะคือภาวะที่ เกิดลูกอะไรขึ้นมาเกิดลูกสิบตัวลูกจิบตัวนี่พุทธภาวะมันเกิดขึ้นดี่กายที่ใหญ่ของคนเราที่ยังไม่ตายนี่นี่กายวิ็นใจที่มันเคลื่อนไหวมันทุกข์กันมันโกรธมันหลงมันดีใจชั่วใจเป็นในี่เละเป็นที่สร้างอยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นหนองถังมันลงไปถ้ามีความหลงกับป่ามันลงไปเกิดความรู้โดยปลูกสิ่ปลูกสมาธิปลูกปัญญาขึ้นมา อันเขาถามป่าทามดวงทําไรทํานาเพราะมันมีป่ามันจึงมีพืชที่เกิดขึ้นงามได้ตรงไหนที่มันเป็นไม่มีป่าโผล่พืชก็ไม่งามจิ ต, ม, ม, ตมันงามอยู่ที่ควมหลงจิตมังามอยู่ที่ความโกรธติตมันงามอยู่ที่ความแก่ความแก่ความต า, าย มันมีที่เกิดให้งาหเหมือนปุ๋ยที่ใช้เนถึงความทุกข์เป็นปุ๋ยของความไม่ทุกข์ทวงโกดเป็นปุ๋ยของทวงโกดถ้าไม่มีทุกข์พระเจ้าก็ไม่มีดกทุกข์เนี่ยทำไมเกิดพระเจ้าขึ้นมาขอบคุณความทุกข์จะได้ไม่ประมาทนี้ถ้ามีทุกข์อย่าประมาทแกได้เจ้ได้ สังขารแช่ได้เป็นวิสังขารได้ทุกเป็นสังขารไม่ทุกเป็นวิสังขารหัดแช่หัดรูร้อนแช่ที่ไปอดไปทนเรานะ่ยไม่ใช่ต้องมีสติเนี่ยมันใช้แก้วันป้องกันแวลาโกรธอดเอาเวลาทุกข์ทนเอาก็มาตรไป อนไัไม่ชไม่ไ ม, ไม่ไม่จบเหตุไปอยู่แก่ที่เหตุไปทุกชึงทุกชิงก็แตเหตุจะแก้ก็จะที่เหตุยธรรมมาเหตุปปะวงแต่สังเหตุองค์ฐานก็ถูกห้าถาพาชิสอนจาลีพุทธเขมาสอนเราสาเร็จตา ถ้าไม่มีลูกมันก็ไม่มีความรู้อย่าทิ้งอย่าทั้ดทิ้งถ้าไม่มีความหลงก็ไม่มีความรู้เหตุที่มันรู้เพราะมันหลงให้อาตวนี้อย่าปล่อยทิ้งอย่าประมาทตรงนี้เป็นความไม่ประมาทตรงนี้ความไม่ประมาทตรงนี้เป็นทางความไม่ตาย ถ้าปมาทตรงนี้ก็เป็นทางกว่ามตายทุกเป็นทุกหลงไปลงแน่นอนโหรเจ็บเจ็บตายแน่นอนทุกเป็นลูกหลงเป็นลูกห น, น, นึ่งไปสู่คงไม่เจอบไม่เก็บ ไ, ไม่ตายแน่นอนก้าวแรกที่สุดทุกคนต้องผ่านตรงนี้ได้เป็นงานของเราทุกชีวิตอยู่แล้วไม่มีใครช่วยเราได้แนละ้วเราต้อง ช่วยตัวเราเองตั้งใจดีๆหลังต่อใจช่วยไม่เป็นไรยิ้มเล็กหน่อยด้วยอย่าทำหน้าบวดยิ้ม ๆ, ๆ, ๆเล็กหน่อยเออยังไงเออนั่งใจดีๆนี่แต่คนที่นั่งจะนี่เออนั่งช่วงเปลี่ยนเราแสดงอะไรมั้งยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเพื่อนกันเป็นมิกันไม่มใครเท่าเทีเ่ยงเราไ ม, ม่ใครรังเกียจเรา ทุกคนมีน้ำใจเกิดมาช่วยเหลือกนันไม่เคยหลังเกียรติ้นจะไปคิดอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราคิดเองไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บนแข็งแหลงอ้วนท้วนสมบูรณ์ประจานจบปริยาตูเป็นครูสนอนว่เแม่ก็มีฐานนะไปเดือดร้อนอะไร ทุกเรื่องอะไรสามีก็ดีเส้นดีนะสใจไหม่นะยิบเงี้ยมยมเส้นเน่ยไปคิดเลยมาไปคิดเลยม า, ย า, มาวางทิ้งคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดถึงคำสอนเราหลงโอ้เราหลงนะ เ, เนี่ยเื่นรู้ขึ้นมา ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ใจต้องตั้งใหม่นะตั้งใหม่อยู่เรื่อยตั้งใหม่อยู่เรื่อยเหมือนือนตั้งไข่ตั้งไข่อยู่เรื่อยตั้งไข่อยู่เรื่อยก็ชำนานตั้งใหม่ตั้งไหม่ล้มหลงตั้งไว้เหมือนลูกสอนลูกที่มันหัดเตินเอามาจับนั่งตั้งไข่ตั้งไข่นั่งมาอยู่มันโล้มลงไป ตั้งไขตั้งไขแม่ก็วางมือจับลูกนั่งตั้งไขตั้งไขตั้งไขตบมือตบมือให้ลูกลูกหมูตบมือออกก่อนร่งกายแข็งแรงขึ้นมาให้มันเคลื่อนไหวตบมือหัวโล้แม่หัวโล้แม่ออกไปมันก็แข็งแรงขึ้นมาตั้งไขตั้งไขตั้งไขไปมันก็แข็งแรงนั่งได้นั่งได้ก็ไปก่อานได้เดินได้ก็ แม่จับยืนขึ้นมาแม่ไปเดินอยู่ข้างหน้าเดบมืออจับมือโบจับโ อ, อบโบจับโ อ, อบก่อนลูกก็วิ่งไปหาแม่ไต่ก้าวสองก้าวล้มลงก็เแข็งแรงขึ้นหาลูกนั่งหาลูกเดิน <c oughs> นี่เราก็หาตัวรอนี่ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งได้นะ ไอ้คำถามในรู้จักตัวรู้จักตัวอยู่นี่รู้จักตัวรู้จักตัวอยู่นี่ะสองคนเจวเวลา